บุตรของเศรษฐีนั้นเล่นแพ้มาเป็นอันมากจึงขอให้โคสกะช่วยเล่นแก่เพราะว่าโคสกะนั้นเป็นผู้ที่ชนานาญในการเล่นชนิดนี้โคสกะก็อ้างว่าได้รับคาสั่งให้ไปหานายช่างหมอง้อบุตรของเศรษฐีก็รับว่าจะไปแทนโคสกะก็กา่าบว่าต้องบอกตามที่พ่อได้สั่งไว้มิฉะนั้นก็จะเป็นการผิดคาสั่งเมื่อลูกของเศรษฐีรับคาแข็งแรง จึงยอมอยู่เล่นกลุกแทนลูกเศรษฐีลูกของเศรษฐีก็ได้ไปยังบ้านของช่างหม้อและได้นํำคาที่เศรษฐีสั่งไว้บอกแกน่นายช่างหม้อนายช่างหม้อก็จับอาลูกของเศรษฐีนั้นทําเหมือนอย่างที่เศรษฐีได้สั่งไว้ในตอนเย็นวันนั้นโคส ก, กะก็กลับไปบ้านเศรษฐีถามว่าทําไมจะไม่ไปโคส ก, กะก็เล่าให้ฟังเศรษฐีเมื่อด้ยินดังนั้นก็มีความตกใจเป็นกําลัง ได้รีบไปหาในช่างหมอ้อในช่างหมอ้อก็รีบออกมารับหน้าบอกว่าได้ปฏิบัติตามที่เศรษฐีสั่งไว้เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้แสดงว่าการประทุสร้ายแก่บุคคลผู้ไม่ประทุสร้ายนั้นย่อมมีผลสนองดังได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้แปลความว่าบุคคลผู้ประทุสร้ายในบุคคลผู้ไม่ได้ประทุสร้ายผู้ไม่มีอาทยาด้วยอาทยา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 8. ความเสื่อมสิ้นแห่งญาติทั้งหลาย 9. ความย่อยยับแห่งโภคะทั้งหลาย 10. ไฟไม่บ้านและผู้นั้นเมื่อกายแตกทำลายตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนิยระยะคือพบที่ไร้ความเจริญเศรษฐีนั้นแม้จะเสียบุรไปเพราะการคิดทำลายโสกะก็ยังไม่ยอมหยุดยั้งยังคิดต่อไปอีก จึงได้เขียนหนังสือถึงผู้จัดการเก็บสวยในหมู่บ้านของเศรษฐีแห่งหนึ่งสั่งให้ผู้จัดการเก็บสวยนั้นค่าอาวชาติบรที่ส่งไปแล้วให้ทิ้งไปในหลุมวัดจักให้เป็นการวิจิตรและจะตอบแทนการกระทำนี้ในภายหลังได้ผูกหนังสือนี้ไว้ที่ชายผ้าของโคสกาตเองสั่งให้โคสกาเดินทางไปโคสกะนั้นอ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่ทราบข้อความว่าเขียนอย่างไร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 ทาสีก็เล่าความให้ฟังว่าโคสกะซึ่งเป็นเศรษฐีหนุ่มในกรุงโกสัมพีมาพักและภรรยาของเศรษฐีคือมารดาของทิดาเศรษฐีนั้นเป็นผู้ใช้ให้จัดรับรองทิดาเศรษฐีเมื่อได้ฟังชื่อว่าโคสกะก็เกิดความสงใจและเกิดความพอใจขึ้นทันทีในเรื่องนี้ได้มีพระพุทธภาษิตบทหนึง่งแสดงไว้ว่าความรักนั้น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 และเห็นหนังสือที่ผูกอยู่ที่ชายผ้าก็แกเอานังสือนั้นมาอ่านเมื่อทราบความในหนังสือนั้นแล้วก็ตกใจว่าจะไหนจึงได้โง่เขลาจนถึงผูกหนังสือที่สั่งให้ค่าตนเองมาดังนั้นจึงได้ไปเขียนหนังสือขึ้นใหม่แกข้อความเส้นใหม่ว่าให้ผู้จัดการเก็บสวยนั้นจัด ก, การสู่ขอและตกแต่งโกศักะกับธิดาของเศรษฐีในบ้านนั้นให้จัด ก, การปลูกเรือนหอ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 ได้ซื้อดอกไม้เต็มราคาได้นำไปมอบแก่พระนางสามาวดีไม่ได้ถูกสักถามว่าวันนี้ทำไมดอกไม้จึงมากนางขุดชุตราก็รับตามความเป็นจริงและ ว, ว่าไม่ทำเหมือนอย่างเก่าก็เพราะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจา้าพระนางสามาวดีก็ขอให้นางขุดชุตราแสดงธรรมให้ฟังนางขุดชุตราก็ขอให้จับที่แสดงธรรม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 ก็เมืองมนุษย์ในเมืองนั้นด่าอีกจะไปที่ไหนอีกพระ อ, อนุลกทูลว่าไปเมืองอื่นอีกจากเมือง น, นั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเมื่อถูกด่าในเมืองนั้นอีกจะไปที่ไหนอีกพระ อ, อนุลทูลว่าจะไปเมืองอื่นๆต่อไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจะทําอย่างนั้นไม่สมควรอธิกรณ์นั้นเกิดขึ้นในที่ใด เมื่ออธิกรณ์นั้นสงบไปแล้วในที่นั้นจึงควรที่จะไปในที่อื่นและแตรัสถามว่าพวกที่ด่านั้นเป็นใครพระอานนท์ก็ทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าการอดทนเป็นภาระของพระองค์พวกเหล่านั้นก็จะด่าอยู่ได้ขนาดเจ็ดวันเท่านั้นเพราะว่าอธิกรณ์คือเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ไปเกินกว่าเจ็ดวัน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 บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดล้ามนุษย์ทั้งหลายม้าอัสดรที่ฝึกแล้วม้าสิงทพอาชาไหนที่ฝึกแล้วมหาน้ากุญชรคือช้างใหญ่ที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ว่าบุคคลผู้ฝึกตนได้แล้วประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นพระนางมาคันทยา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 และเมื่อได้เสด็จขึ้นไปบนพระตําหนักนั้นแล้วพระนางมากัญทิยาก็ลอกเปิดช่องที่พินงูก็เลื้อยออ ก, อกพระนางมากัญทิยาก็ร้องเอะอะขึ้นทูลพระเจ้าอุเทนให้ทงทราบ พ, พระเจ้าอุเทนเมื่อได้เห็นเรื่องเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นก็กคลิ้วพระนางสามาวดีรับสั่งให้เรียกเอาธนูและแล่งส่งธนูเพื่อจะยิงพระนางสามาวดีแต่พระนางสามาวดี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 คือกรรมฐานที่กำหนดเวทนาเป็นอารมณ์เรื่องในกรงโกสัมภีที่เล่ามานี้เล่าตามพระอัตถกอาจารย์ที่เล่าไว้ในอัตถาธรรมบทซึ่งได้แต่งเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปประมาณพันปีมีเขาที่ปรากฏในคมพีพระบาลีอยู่บ้างเช่นโคสการามบ่งว่าเป็นอารามของบุคคลผู้ที่ชื่อว่าโคสกะสร้างถวายเป็นต้น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 บุคคลทุกๆคนแม้จะได้มีโอกาสเกิดทันพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงชั้นสูงแต่ก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่ตนได้ทาไว้พระพุทธเจ้าจะส่งช่วยบุคคลพ้นจากผลของกรรมชั่วที่ตนได้ทาไว้นั้นหาได้ไหมส่งช่วยได้แต่ในด้านทรงแสดงธรรมเพื่อให้บุคคลเว้นจากบาปบำเพ็ญกุศล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 คือได้จุดไฟเผาพระปัจเจ ก, กพุตตเจ้าที่กําลังเข้านิโรธสมาบัติในชั้นแรกท่านนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่กอหญ้าไม่เห็นท่านคิดแต่เพียงจะจุดไฟเผากอหญ้าเท่านั้นเมื่อจุดไฟเผาเกอหญ้าแล้วจึงได้เห็นท่านคิดกันว่าเมื่อเรื่องเกิดขึ้นถึงเพียงนี้แล้วก็เผาซิเลยจึงได้เอาเฟืนมาสมเข้าแล้วก็จุดเผาแต่ท่านแสดงว่าพระอรหันเข้านิโรธสมาบัตินั้น ไม่เป็นอันตรายเพราะไฟหรือเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้เป็นอันตรายแต่บาป ก, กรรมที่ทำไว้นั้นก็ส่งผลให้พระนางสามาวดีกับคณะได้ถูกไฟเผาในชาติต่อๆมาส่วนโคสกะสเศรษฐีนั้นท่านก็เล่าบุปกรรมไว้โดยความว่าครั้งหนึ่งได้เกิดทุกพิภยขึ้นในอัลละกัะระับางผู้ก็กล่าวว่าเกิดอันวาตกโรคขึ้น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 ไปเกิดในท้องของหญิงนครโสภาีในกรุงโกสัมพีดังที่เล่ามานั้นและท่านกล่าวว่าเทวดาที่จุดตินั้นด้วยเหตุสี่อย่างคือหนึ่งสิ้นอายุหมายความว่าทำบุญไว้มากก็อยู่ในเทวโลกจนถึงกำหนดอายุและก็เกิดในชั้นสูงสูงขึ้นไป 2. สิ้นบุญคือว่าทาบุญไว้น้อยเมื่อสิ้นบุญนั้นแล้วก็ต้องจุติในระหว่าง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 ส่วนพระเจ้าอุเทนนั้นมีเรื่องเล่าว่าได้พบกับพระปินโธลภารัตวชัได้ตั้งปัญหาถามท่านท่านก็ตอบจนพระเจ้าอุเทนสรงเลื่มใสมีเรื่องแสดงไวในคัมภีร์ชั้นพระบาลีว่าเมื่อท่านพระปินโธลภารัตวชัได้อยู่ที่โกสิตารามในกรุงโกสัมพีพระเจ้าอุเทนได้เสด็จเข้าไปหาท่านได้รับสั่งตั้งปัญหาถามท่านว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย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 พวกเธอจงมามีสติคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือเห็นรูปด้วยจักสุขได้ยินเสียงด้วยโสตะสูดกลิ่นด้วยคานะลิ้นรบด้วยจิวหาถูกต้องโผทพรพะด้วยกายรู้เรื่องด้วยใจก็อย่าถือเอาโดยนิมิตคือว่ารวบถืออย่าถือเอาโดยอนุปยัญชนะคือว่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อความสำรวมอินทรีย์เหล่านั้น ที่จะไม่ให้บาปอกุศลธรรมมีความยินดียินร้ายเป็นต้นครอบงําได้จงรักษาอินทรีย์เหล่านั้นจงถึงความสํารวมในอินทรีย์เหล่านั้นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งรับรองถ้อยคําของท่านพระปินโทลภาระทวชะว่าเมื่อปฏิบัติมีความสํารวมอินทรีย์อยู่ดังนั้นก็สามารถที่จะไม่เริงกีฬาในกาลทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิตได้ได้รับสั่งถึงพระองค์เองว่าแม่พระองค์เองในสมัยที่ไม่ได้ทรงรักษากายไม่ได้ทรงรักษาวาจาไม่ได้ทรงรักษาจิตไม่ได้ทรงตั้งพระสติไม่ได้ทรงสำรวมอินทรีย์เวลาเสด็จเข้าไปภายในบุรีก็ยังเกิดโลภธรรมครอบนำอย่างเหลือเกินแต่ในสมัยที่มีการรักษากายเป็นต้น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 หรือที่หลังเรื่องพระนางสาวมาวดีทราบไม่ได้แต่เรื่องพระนางสามาวดีตอนที่เล่าถึงพระนางสาวมาวดีพูนให้พระเจ้าอุเทนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนั้นมีในชั้นอัตถกถาอย่างไม่พบในชั้นพระบาลีเพราะฉะนั้นจึงได้มีบางท่านแสดงว่าพระเจ้าอุเทนได้ทรงพบกับพระปินโทลพารถวาชะและได้เลื่อมสายในพระพุทธศาสนามาก่อนแล้ว